น่ต่อไปมาถามหามาดูข้อปฏิบัตินี่ก่าปัญหาข้อที่สิบอะไรเป็นข้อปฏิบัติของบารมีมาดูข้อปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ก็คือการปฏิบัติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายอันนั้นคือข้อปฏิบัติจริงๆที่ท่านทำทุกอย่างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายอนุเคราะห์เนี่ยมีความหมายว่ากรุณาเนื่องจากว่ามีความคิดมุ่งบาบัดความทุกข์ต่อ สัตว์ทั้งหลายเป็นเป็นหลักเรียกว่ามุ่งเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกขเป็นหลักเน่ยนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกขได้เนี่ยตัวเองจะต้องทําไงบ้างสละอุปกรณ์แห่งความสุขทั้งหลายออกไปตัวเองมีอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่าใดเหล่าใดมีข้าวมีน้ําเป็นต้นก็สละแบ่งปันอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่านั้นออกไปบางครั้งต้องสละร่างกายเรียกว่าสละอวัยวะ บางครั้งก็ต้องสละชีวิตหลายครั้งก็ต้องสละชีวิตอันนี้มันชีวิตที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ได้จะต้องสละสละอุปกรณ์เครื่องอํานวยความสุขสละร่างกายและสละชีวิตของตัวเองเนี่ยนะอย่าว่าผู้ที่สร้างบารมีเลยแม้กระทั่งแบบทั่วๆไปก็เรียกว่าสละชีพเพื่ออะไรก็ได้ยินไหม สละชีพเพื่อชาติเขาก็ยังทํากันอ่ะนะชาติไหนก็ชาติชรา ม, มรณาอะไนระเขยังทํากันได้แต่นี้สละชีพเพื่อโพธิยามทําไมจะทําไม่ได้อันนั้นอย่างที่บอกว่าสละชีพเพื่อชาติก็คือเพื่ อ, อตัวเองจะทุกข์จะตายก ข, ขอให้คนอื่นมีความสุขไปแล้วกันฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็พื้นฐานความคิดของท่านก็คือท่านคิดแบบนั้นว่าทํำไงสัตว์อื่นจึงจะพ้นไปจากความทุกข์ประสบแต่ ความสุขก็เลยสละอุปกรณ์เครื่องแห่งความสุขสละร่างกายและก็สละชีวิตโลกนี้นะถ้าไม่มีผู้เสียสละจะไม่เป็นแบบนี้อย่างความเจริญทั้งหลายที่เราเห็นเห็นอยู่นี่ในยุคนี้เนี่ยเกิดจากผู้ที่เขาเสียสละทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีผู้เสียสละนะทุกคนเต็มไปด้วยแต่ความแบบอะไรนะมีแต่เรีเห็นแก่ตัวไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้หมายความว่า มีแต่ติดตั้งเครื่องสูบหมดเลยนะไปที่ไหนก็สูบทุกคนเนี่ยมุ่งแบบมองทุกคนเป็นเหยื่อหมดเนี่ยไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้แปลว่าถ้าทุกคนมองเห็นทุกคนคือเหยื่อทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นโลกนี้คงเป็นโลกที่ร้อนระอุแน่แต่โลกนี้มีผู้ที่เขาเสียสละโดยมากโลกจึงร่มเย็นอยู่ได้เนี่ยนะแต่สละสละอย่างเดียวนะ ไม่ใช่สละอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่สละแต่อุปกรณ์สละร่างกายสละชีวิตไม่ใช่ไปถึงก็สละสละสละไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังกําจัดภัยให้แก่สัตว์อื่นเป็นผู้ที่คอยปกป้องคอยคุ้มครองไม่ให้สัตว์อื่นเนี่ยอยู่ด้วยความหวาดความกลัวความสะดุง้งถามว่าโลกนี้เนี่ยนะถ้าสัตว์จะกลัวกลัวอะไรหนึ่งกลัวเสียชีวิตท่านก็ช่วยว่าทำไงนะสัตว์ทั้งหลายจะเลิกกลัวจากการ กลัวว่าจะเสียชีวิตสองสัตว์ทั้งหลายถ้าจะกลัวกลัวอะไรกลัวเสียทรัพย์สินกลัวเสียทรัพย์ก็ให้ความปลอดภัยกําจัดความกลัวว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่เอาทรัพย์ของเธอของคุณรอกสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยนะคิดว่าไม่ปลอดภัยในบุตรและภริยาครอบครัวก็ให้ความปลอดภัยบอกไม่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวอีกสัตว์ทั้งหลายบางทีกลัวเพราะไม่รู้ความจริงกลัวจะได้ฟังคําที่ไม่จริงเรียกว่ากลัวถูกหลอกเป็นต้นบอกไม่ต้องกลัวเพราะ คำทุกอย่างที่พูดก็เป็นความจริงสุดท้ายเนี่ยนะกลัวคนบ้าใช่กลัวบ้าบอกไม่ทั้งกลัวเพราะฉันไม่สร้างความเป็นบ้าเพื่อให้คุณหวาดระแวงกลัวอะไรหรอกก็เลยเรียกกาจัดความน่ากลัวความกลัวความขลาดให้แก่สรัรพพะสัตทั้งหลายทั้นการสร้างบารมีก็คืออย่างหนึ่งในขณะที่ทําบุญเหล่านี้ก็เป็นการกําจัดความหวาดกลัวให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายจะได้ไม่หวาดไม่กลัวแต่ที่จริง อันนั้บอกว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านชี้แจงข้อปฏิบัติทั้งหมดคือสิ่งที่ท่านทําทุกอย่างเนี่ยชี้แจงได้แปลว่าอธิบายได้นะอธิบายได้ไม่ใช่ทําแบบไร้เหตุผลเกี่ยว่าชี้แจงธรรมะข้อปฏิบัติของทานเป็นต้นแปลว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะไม่ใช่ทําด้วยความโง่เขลาทําด้วยความงมงายทุกอย่างแจงได้เรียกว่าตรวจสอบได้เพราะงั้นตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกประการว่า อะไรคืออะไรอย่างไรเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าการเจริญกุศลถ้าตรวจสอบไม่ได้นี่ลำบากเหมือนกันนะเหมือนอย่างว่าคนที่กําลังเดินทางเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ตัวเองอยู่จุดไหนตําแหน่งไหนตรวจสอบไม่ได้อธิบายไม่ได้เนี่ยถามว่าการเดินทางครั้งนั้นน่ากลัวไหมโดยเฉพาะเดินทางทะเลเนี่ยนะตรวจสอบไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยแล้วสเสบียงอทานอะไรเพราะว่าถ้าอย่างบนบกคเขายัางชั่วอาจจะเพาะจะปลูกได้บ้าง เก็บหาพืชผักได้บ้างอะไรบ้างถ้าในน้ําจะเอาอะไรอ่ะจะกินอะไรชั้นใดท่านการชี้แจงได้ก็แปลว่าตรวจสอบได้ใกล้ครวนได้นี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทานก่อนว่าในทานบารมีเนี่ยทานนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็แบ่งออกเป็นสมอย่างสมอย่างเนี่ยนะของที่ควรให้มีอยู่สามอย่างด้วยกันหนึ่งอมิสทานให้อามิส อ, อีกชื่อหนึ่งถ้าเพราะหนก็เราวัตถุทานสองอภัยทานสมธรรมทาน การให้ให้นักให้เขามองการให้สามประการให้วัตถุให้ใหอภัยและให้ธรรมนี่มาดูให้ให้วัตถุก่อนวัตถุที่พระพธทธัตว์จะให้มีอยู่สองอย่างวัตถุภายในกับวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกก็คือนอกตัวทั้งหมดวัตถุภายในก็คือในตัวในสรีระเนี่ยนะวัตถุภายนอกถ้าพูตามพระสูตทั้งหลายมีอยู่10บประการ คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคือให้แสงสว่างเ น, นี่ยนะทีนี้แม้กระทั่งว่าให้ข้าวก็ไม่ใช่ว่าให้แต่ข้าวอย่างเดียวก็ให้ข้าวอย่างต่างๆอันให้ข้าวหลายอย่างอั น, นคำว่าข้าวนีแ่แปลว่าของบริโภคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของขบของเคี้ยวอาหารจริงอาหารว่างอาหารอะไรทุกประเภท เรีว่าของกินทุกชนิดทีนี้ให้น้ำก็ไม่ใช่ว่าให้น้ำแต่น้ำก็น้ำมันน้าบ่ได้บ่ได้เนี่ยนะน้ำบ่ได้ภาษาเนื้อแปลว่าน้าเปล่าเนี่ยนะก็ใช้น้าเปล่าไม่ใช่ก็ให้น้ำที่มีสีสันด้วยเนี่ยนะแล้วก็น้าที่มีกลิ่นต่างๆด้วยให้น้ำที่มีรสต่างๆด้วยก็ให้ให้น้ำหลายอย่างแล้วก็ให้ผ้าหลายชนิดผ้าหลายประเภทให้ยานให้รองเท้าเป็นต้นหลายอย่างโดยการ ให้ดอกไม้ก็ไม่ใช่ว่าดอกเดียวตลอดไปก็ไม่ใช่แบ่งประเภทดอกอยางต่างๆให้ของหอมมีอย่างต่างๆให้เครื่องรูปหลายอย่างต่างๆให้ที่นอนประเภทต่างๆให้ที่อยู่ที่อาศัยมีประการต่างๆแล้วก็ให้ประทีปมีนะแสงสว่างหลายลอย่างด้วยกันในโลกของแค่ว่าแสงสว่างเนี่ยนะแสงสว่างเราดูเนี่ยโคมไฟหลอดไฟทั้งหลายนี่มันมีวิจิตพิสดารจริงๆอย่างในวัดทั้งหลายแลเนี่ยนะโอ้ยอะไรจะวิจิตขนาดนั้น ก็แสดงว่ามีผู้ที่ก็ให้โดยประเภทต่างๆมียางต่างๆกันนี้ถ้าพูดตามพระอภิธรรมเนี่ยนะก็ให้ปรารภรูปให้ปรารภสีอันน่สีสันที่งดงามปรารภเสียงที่ไพเราะสนโสทปรารภกลิ่นที่หอมๆปรารภรสที่ หน้าปราถนารสอร่อยอร่อยปรารบโพธพะที่ดีๆนิ่มนวลไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะปลาลบวัตถุที่จะให้เป็นอย่างดีะนะให้ธรรมรมเรียกว่าอย่างบางคนเนี่ยให้ปรารบพวกวิตามินวิตามินสารอาหารทุกชนิดเนี่ยถือว่ากลุ่มโชา เรียกว่าให้รรมารมเนี่ยนะหรือให้น้ําดื่มปรารบความดับกระหายเป็นต้นพวกนี้ก็ให้ธรรมารมก็ให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธาะให้ทรมรมแม้แต่ให้สีก็ไม่ใช่สีเดียวก็มีอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินเป็นต้นโดยนัยสีต่างๆและสังเกตดูก็จะจุดเทียนบูชาก็ยังมีเทียนสีต่างๆทูบสีต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะข้าวมีสีต่างๆกัน ขณะเดียวกันพวกวัตถุทั้งหลายที่ให้ทานอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจก็ยังจําแนกให้แก้วมณีให้กหนกแปลว่าให้ทองเนี่ยนะให้กนกก็คือให้ทองให้เงินให้มุกดาให้ประทานให้นาให้ไร่สวนธาตหญิงธาตชายให้โคให้กระบือเนี่ยนะก็แจกหมดอะนะให้กระบือก็ให้กระใบนั่นแหละก็ให้ทุกอย่างที่เรียกว่าให้ได้ในวัตถุเหล่านั้นพระมหาบุรุษ เมื่อจะให้วัตถุภายนอกรู้ด้วยตนเองว่าจะให้วัตถุแก่ผู้มีความต้องการถึงเขาไม่ขอก็อให้ไม่จำเป็นต้องว่าเขาต้องเอ่ยปากขอรู้ว่าผู้ใดมีความต้องการสิ่งนั้นคิดว่าให้แล้วอย่างไงเขาก็รับเพราะเขาต้องการอย่างนั้นก็ให้เขาไม่ขอก็ให้ไม่ต้องพูดว่าเขาต้องมาขอเพราะเห็นความจำเป็นของเขาวัตถุภายนอกเป็นอย่างนั้น มีของจึงให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้หมายคาะว่าตัวเองจะต้องมีก่อนแล้วค่อยให้ไม่ถึงขนาดเรียกว่ามึงไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาเพื่อจะให้แล้วก็เดือดร้อนกันรงมไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยที่ให้ทานเนี่ยให้แบบไม่ฉลาดให้เราแบบไปกู้หนี้ยืมสินชนิดที่เรียกว่ามาหาโหดเสร็จแล้วตัวเองก็ทําไม่ได้ก็ปั่นป่วนโทษบุญโทษกุศลอะไรเป็นต้นเพราะมาเคยแนะนําว่ามงคลมันมี38 มงคล น, นี่มีสามสิบแปดทานนันจะเนี่ยการให้ทานหนึ่งในมงคลสาสิแปดแต่อัปมงคลอีกสาสิบเจ็ดข้ออะไรจะเกิดขึ้นไปที่ไหนก็อ้างแต่ว่าฉันให้ทานฉันให้ทานแต่อัปมงคลในตัวอีกสามสิบเจ็ดข้ออะไรจะเกิดขึ้นบางทีนี่ให้ทานเป็นเรื่องที่ดีแต่หนึ่งในสาสิบแปดเหตุแห่งความเจริญการให้ทานนี่หนึ่งในบารมีสิบไม่ใช่ทานคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทานคือสรรพสิ่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงให้ อ่ะท่านบอกว่ามีของจึงได้ให้ถ้าไม่มีก็ให้ไม่ได้เพราะจะเอาอะไรมาให้อ่ะคิดว่าให้แบบคนที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะให้สิ่งที่ปรารถนาถ้าจะให้ก็ไม่ใช่ว่าให้ของเร็วๆให้ขยะเป็นต้นเนี่ยไม่นจให้เมื่อมีทายธรรมย่อมก็บอกว่าที่จะให้เนี่ยนะถ้ามีของโดยมากจะเลือกให้ของดีไม่ให้ของที่ไม่น่าปรารถนาแปลว่า ตัวเองก็ยังต้องการอยู่เพราะผู้อื่นก็ต้องการตนต้องการฉัน้นใดผู้อื่นก็ต้องการฉันนั้นอาศัยอุปการะตอบย่อมให้แปลว่าให้เพื่อตอบแทนพระคุณขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่นึกถึงอุปการะที่ผู้อื่นเขาเคยให้ตัวมาตัวก็ต้องมีการให้เขาตอบแทนให้เพราะเขาเป็นผู้มีอุปการะเมื่อไม่มีทายาทมย่อมแบ่ง สิ่งที่น่าปรารถนาให้สมควรแก่การแจกจ่ายเนี่ยนะอันหนึง่งไม่ให้ศาสตรายาพิษและของเมาเป็นต้นอันจะนํามาซึ่งความเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้อาวุธเพื่อไปช่วยเข็นฆ่าเพื่อทําลายล้างอาณคามอาวุธแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องฆ่าทุกชนิดฆ่าสัตว์บกฆ่าสัตว์น้ําเป็นต้นไม่ให้ของมึนของเมาเนี่ยนะไม่ให้ยาเสพติดเป็นต้น ไม่ให้ของมืนเมาของที่นำมาซึ่งทุกโทษนำมาซึ่งความเบียดเบียนแม้ของเล่นอันประกอบด้วยความพิรุและนำมาซึ่งความประมาทก็ไม่ให้สิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเลวร้ยรายโดยประการต่างๆไม่ยอมให้เด็ดขาดไม่ให้ของไม่เป็นที่สบายหมายคาอว่าไอ้ของไหนที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนอะไรที่ไม่สัปปยะไม่ให้เช่นให้น้าที่ให้แล้วเช่นน้ำที่ เจือพิษของบริโภคที่มันมีโทษเป็นต้นเนี่ยให้แล้วเขาเดือดร้อนอ่ะนะเช่นให้น้ําดื่มบางประเภทแล้วท้องเสียให้ของบริโภคบางอย่างแล้วไปป่วยเป็นต้นก็ไม่ให้เว้นจากการกําหนดแก่ผู้ขอเป็นไข้หมายคือว่ารู้จักว่าอะไรสัปปายะแก่คนป่วยไข้คนที่สุขภาพดีถ้าบริโภคของนี้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นไหมคนป่วยแล้วของที่ให้ไปนี่มันแสลงไหมเป็นต้นของนั้นอาจจะดีแต่อาจจะไม่เหมาะแก่ คนป่วยก็ได้เค่เรว่ารู้จักให้ทั้นให้ของแต่เป็นที่สปายะเป็นที่สบายและก็ให้สมควรแก่ประมาณที่เรียกว่ารู้ประมาณในการให้ให้แบบรู้ความเหมาะสมแปลว่ารู้จักคำว่าพอดีว่าแต่ละอย่างนั้นควรจะพอดีแค่ไหนเนี่ยนะอันหนึ่งถ้าครือขัดขอก็ให้ของที่สมควรแก่ครหอขัดบันประชิตขอก็ให้ของที่สมควรแก่ บัรปะชิตว่าอะไรเหมาะกับคารวาสอะไรเหมาะแก่บรรปะชิตให้ไม่เกิดความเบียดเบียนแก่ใครๆในบรรดาบุคคลเหล่านี้คือคือไม่ให้เพื่อเบียดเบียนพ่อแม่ไม่ให้เพื่อเบียดเบียนญาสาโลหิตไม่ให้เพื่อเบียดเบียนมิตรอมาตยไม่ให้แบบเบียดเบียนบุตรภริยาไม่ให้เพื่อมุ่งเบียดเบียนทาตกรรมกรคือคือให้ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้แบบคนอื่นเดือดร้อนนะให้แบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนนะ ครอบครัวเนี่ยนะโดยเฉพาะว่าบิดามารดาญาสาโลหิตมิตรอมาตบุตรพระยาข้าท่ า, าหรือกรรมกรเนี่ยนะรู้ไทยธรรมดีมากไม่ให้ของเศร้าหมองหมายคือว่ารู้อยู่ว่าตัวเองมีของดีแต่ว่าไม่ใช่ให้ของที่เศร้าหมองไม่ให้อาศัยลาบสการะสรรเสริญ เรีว่าที่ให้ให้ไม่ได้ให้เพราะว่าตัวเองจะได้มีลาบเยอะๆคนจะได้ยกย่องนับถือใครที่ไหนคนจะได้สรรเสริญก็ไม่ได้ให้แบบนั้นไม่ได้ให้เพื่อลาบสักการะสรรเสริญไม่ให้เพราะอาศัยการตอบแทนไม่ใช่ว่าให้แบบลักษณะแบบว่าให้เขาแล้วเขาจะได้ให้เราตอบวันหลังให้เขาก่อนเดี๋ยววันหลังเขาจะตามมาให้เราคืนบ้างก็ไม่ให้แบบนั้นไม่ให้แบบหวังผล อันนั้นไม่ให้หวังผลคือลาบสการะเป็นต้นท่านหวังอย่างเดียวคือสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้หวังอย่างอื่นเช่นการให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังจกักระพาติสมบัติเทวสมบัติสั ก, กะ ส, ก ả, สมบัติพรหมอินพรหมยมยักษ์อะไรทั้งอย่างไรไม่ต้องการแบบนั้นที่เราให้เราต้องการแต่โพธิญาณไม่ให้รังเกียจผู้ขอหรือทยายาธรรมไม่ให้เรียกว่า บางคนเนี่ยนะที่ไม่ให้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะรังเกียจผู้ขอหรือเกลียดไทยธรรมก็เลยให้ไปแต่ที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้เพราะแบบนั้นบางคนนี่เคยไหมให้เพราะตัดความรำคาญไอ้ให้เพื่อตัดความรำคาญแบบนั้นก็เหมือนกับซึ้ทําลายความรำคาญออกไปไม่ใช่ลักษณะนี้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ให้ลักษณะนั้น อันหนึ่งไม่ให้ทานแบบทอดทิ้งแบบทิ้งแบบคว้างนะเคยให้ให้ให้แบบทิ้งทิ้งคว่างๆให้แบบเลอะเทอะนะให้แบบทิ้งๆิ้งคว้างๆไม่ได้ให้แบบเกี่ยว่าผู้ไม่สํารวมให้ไม่ใช่ให้แบบว่าให้ไปด่าไปหรือไม่ให้แบบคนที่โกรธเช่นว่าให้ไปด่าไปให้แบบกระแทกแหลกดันให้กิริยาที่ไม่เหมาะสมท่านไม่ได้ทําแบบนั้นที่แท้ท่านให้แบบมีใจเลื่อมใส ให้ด้วยใจกรุณาให้ด้วยความเคารพอย่างเดียวพฤติกรรมการให้คือการให้ที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความเคารพยำเกรงแต่ขณะเดียวกันไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวเช่นทิฏฐะมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลเป็นต้นไม่ได้ลักษณะมงคลแบบเดียร์ีทั้งหลายไม่ได้ให้แบบนั้น แต่ให้เพราะเชื่อกมและผลของกมให้เพราะรู้กมและรู้ผลแห่งกาไม่ให้โดยที่ทําให้ยาจกเศร้าหมองด้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้คือบางคนเนี่ยจะให้แต่ว่าให้แบบสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้รับก็มีแต่นี้การให้ไม่ได้ให้เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้รับโดยที่ไม่ทาให้ผู้ขอทั้งหลายเขาเดือดร้อนเขาเศร้าหมองเขาลาบาก อันหนึ่งไม่ให้เพราะประสงค์จะลวงหรือจะทำลายผู้อื่นแต่ถ้าคนตกปลานี่ให้เหยื่อก่อนใช่ไหมให้เหยื่อเพื่ออนุเคราะห์ปลาใช่ไหมบอกไม่ไม่เนี่ยไม่ได้ให้เพื่อประสงค์จะหลอกลวงไม่ใช่ประสงค์จะล่อลวงไม่ได้ให้เพื่อการทําลายเนี่ยนะไม่ได้มุ่งไป เ, เรียกว่าให้เพื่อสร้างมิตรภาพในตอนต้นจะได้ทําลายอย่างสบายๆในตอนปลายอย่างที่เขาเรียกว่าในสูตรหนึ่งที่ภาษารีบทอุปมาให้ฟังว่า เหมือนอย่างว่าศัตรูคู่อาฆาตของเครหาบดีคนหนึ่งครืหาบดีคนนี้มีคู่เวนไอ้คู่เวนเนี่ยมันก็เอ๊ะทำยังไงจะทําลายศัตรูฝ่ายนั้นได้เพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเข้าแบบมีการปกปักอารักขาอย่างดีอันนี้ดีวกว่าไปสมัครเป็นคนงานมาครับไปสมัครเป็นคนงานซื่อสัตว์รักพักดีโอ๊ยเชื่อฟังทุกอย่างตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้รู้ใจนายไปสมุมด ทุกอย่างเนี่ยนะเป็นไปอย่างดีสม่ําเสมอ ม, มีปกติช่วยเหลือเกื้อกูลบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอดีมากจนไว้ใจไว้ใจเชื่อได้เลยว่าโอ้นี่แหละคนเรียกว่าอะไรนะคู่บารมีเขาว่างั้นคู่บารมีนี่แหละที่เรียกว่าใช่แล้วละลูกน้องของเราแท้แท้อดีตนี้คงจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแมเชื่อใจสนิทขนาดนั้นทุกอย่างไว้เนื้อเชื่อใจทุกชนิดวันหนึ่งก็งเลยชวนบอกว่าไปเที่ยวสวนกันดีกว่าเพื่อน เอาเล้าไปดื่มด้วยนะไปนั่งกินเหล้ากันสบายๆก็ช่วยดูแลฉันหน่อยก็แล้วกันก็เลยเดื่มเหล้าเสมาวใหม่ก็ในที่สุดก็เลยชักดาบฟันคอขัดทีเดียวรวดเดียวเลยถามว่าไอ้คนนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนกับให้ให้ด้วยความจริงจังและจริงใจแต่ในที่สุดก็ทําลายแบบที่เรียกว่าชีวิตก็ไม่เหลือไม่ใช่ลักษณะนั้นเนี่ยนะหมายความว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นทําทุกอย่างทาด้วยความ หวังดีและปรารถนาดีอยู่เสมอทำทุกอย่างเพื่อปรารถนาดีไม่ใช่เพื่อทำลายถ้ารู้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแกผู้อื่นก็เรียบตัดกําจัดสิ่งเหล่านั้นทันทีคือขณะที่ให้เนี่ยนะจะไม่มีใจที่เศร้ามองขุนมัวใจเนี่ยในขณะที่ให้ใจก็ยินดีฮะอย่างพระเจ้าสีวิราชท่านบอกว่าที่ท่านได้ดวงตาเกิดขึ้นบอกว่าคนที่มาขอท่านนี่น่ารักมาก มองเห็นว่าผู้ขอคือผู้ที่น่ารักขณะที่ให้เสร็จแล้วดีใจปีติทราบสรรนว่างั้นลักษณะนั้นลักษณะนั้นคือใจของผู้ที่เป็นฐานรองรับโพธิยานชั้นสูงได้ไม่ให้ทานและใช้วาจาหยาบเนี่ยนะไม่ใช่ทำแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดวาจาหยาบก็คือด่าน่ะแหละหยาบคายแล้วเกินเนี่ยนะ อย่างบางท่านก็ให้แต่ว่าแม้หยาบคายมากนะแต่ว่าบางคนก็หน้าเนี่ยวิตอนให้นี่บอกบุญไม่รับเลยหน้าจะยุ่งขนาดนั้นแล้วก็ให้ด้วยคำพูดที่น่ารักพูดก่อนแล้วก็พูดพอประมาณบางคนนี่พูดก่อนแนะพูดมากอีกแต่นี้ก็ไม่เราพอประมาณเร้ว่ารู้ความพอดีนะบางทีก็นั่งมาเกี่ยว่าอะไรนะคุยซะจนเลยเวลาไปหมดก็ไม่ใช่ขนาดนั้น โลภะมีมากในทัยธรรมใดเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานเพราะติดข้องมานานเพราะความอยากตามสภาพก็ดีพระโพธิสัตว์รู้อยู่ก็บรรเทาอากุศลวิตกในทัยธรรมเหล่านั้นโดยเร็วแล้วสแสวงหาผู้ให้คือท่านรู้เลยว่าสิ่งใดท่านชอบใจเป็นพิเศษท่านบอกว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ท่านจะให้ แต่ตอนนี้มันยังให้ไม่ได้ทําไมมันติดอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่สักวันหนึ่งจะต้องหาช่องทางให้ไอ้ของที่เราติดที่สุดนี่แหละคือของที่เราจะต้องให้แต่วันนี้ยังให้ไม่ได้หาโอกาสหาช่องทางคิดยังไงนะจึงจะให้สิ่งนั้นออกไปได้ท่านติดก็จริงท่านชอบไม่ใช่ว่าท่านก็อะไรนะท่านก็ปุตุชนแบบแบบทั่วๆไปอยู่แล้วละ่ะแต่ทําไมท่านให้ได้เพราะท่านหาช่องทางอยู่ว่าจะให้ได้ยังไงในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินการหาช่องทาง ใช่ไหมอย่างเช่นการลอบฆ่าใครสักคนหนึ่งเขาก็หาช่องหาทางอยู่นั่นแหละการทํามาค้าขายก็เหมือนกันคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่สแสวงหาช่องทางอยู่เสมอฉันใดผู้ที่ทําบุญกุศลก็เหมือนกันหาช่องหาทางที่จะเจริญบุญกุศลว่ามีช่องทางไหนที่จะให้ทํากุศลได้ มันก็เลยแสวงหาผู้รับผู้ที่สมควรเนี่ยนะอย่างเคล็ดง่ายๆอย่างบางคนเนี่ยโอ้รู้ว่าติดข้องมากให้คนทั่วๆไปไม่ได้ต้องให้พระพุทธเจ้าถ้าให้พระพุทธเจ้าให้ได้ให้คนอื่นให้ไม่ได้มันต้องหาผู้รับที่เรียกว่าติดข้องสิ่งใดมากต้องหาคนที่เราเคารพที่สุดเรานับถือที่สุดแล้วเทิดทูนให้ไปมันจะได้เมือนอย่างไปให้กับคนทั่วๆไปนี่แหม อ, อูย้ยมันมีค่าที่สุดสําหรับเราแล้วเขาเอาไปทิ้งไปคว้างแหมเศร้าใจจนตายอย่างนั้น เสียใจไม่น่าให้เลยจะเก็บไว้ก็ดีใจซะอย่างนี้นะนก็เรียกว่าหาผู้ที่สมควรเนี่ยนะผู้ที่เหมาะสมอเ น, นืองทายธรรมใดมีวัตถุหน่อยถึงมีน้อยนะมีของน้อยถ้ามีผู้ขอมาปรากฏให้เห็นก็ไม่คิดถึงทายธรรมวัตถุนั้นยอมทำตนให้ลำบากให้แล้วก็นับถือยาจก ก็นับถือผู้ผู้ขอนะไม่ใช่ดูหมินเหยียดยามผู้ขอหรือผู้รับทานอะไรก็เคารวผู้ขอเหมือนกับอกิตตบัณฑิตฉะนั้นพระมหาบุรุษเมื่อบุตรภริรยาทาตกรรมกรของบุรุษของตนเนี่ยหรือคนภายในไม่ร้องเรียกถึงความโทมนัดขอย่อมไม่ให้แกยาจกทั้งหลายหมายความว่าสิ่งใดที่ครอบครัวต่อต้านเหลือเกินเนี่ยนะก็ยังไม่ให้เรื่องนั้นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะครอบครัวเขาไม่ยังไม่เห็นด้วยถ้าอย่างเช่นสมมติถ้าจะให้ บุตรภริยาเป็นทานถ้าบุตรภริยาไม่เห็นด้วยละอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้เขาเห็นด้วยนะไม่ใช่ทําแบบลักษณะกดขี่คมเหงใช้อํานาจบาดใหญ่ประทุสล้ายจิตใจของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้แก่คนภายในเนี่ยนะแต่เมื่อชนเหล่านั้นร้องเรียกถึงความโสมนัสโดยชอบจึงให้คือโดยมากก็ก็ให้แล้ให้และเต็มใจเนี่ยนะ คือพระโพธิสัตว์ไม่มีนิสัยที่จะสร้างความร้าวรานให้แก่ครอบครัวอยู่แล้วเนะี่ยพันครอบครัวจะต้องโดยมากจะเห็นด้วยเนี่ยนะคือมีการชี้แจงเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยนะนะคือไม่ใช่ว่าหักหารน้ำใจกันซะจนไม่ใช่แต่มีการพูดมีการคุยมีการชี้แจงมีการบอกมีการกล่าวมีการแนะนำกันเป็นอย่างดีเมื่อให้ก็รู้อยู่ ทีนี้ถ้าหากว่ารู้อยู่นะว่าใครควรรับคือใครเช่นไม่ให้แก่ยักษ์รากสดปีศาจเป็นต้นหรือแก่มนุษย์ผู้ทำงานหยากช้าแม้แต่ราชสมบัติก็ไม่ให้แก่คนเช่นนั้นเอาไหมยกของให้โจรหมดเลยดียกของให้ปีศาจหมดเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรรอเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ไม่ให้ใคว่าไม่ให้แก่ผู้ที่สร้างความชิบหายให้แก่ลูก แปลว่าไม่ให้เพื่อส่งเสริมอะไรก็ได้ที่มันทําลายโลกเช่นการทําปาณาติบาตก็คือการทําลายโลกการทำอทินนาทานก็คือการทําลายประโยชน์ความสุขแก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ให้ของใดที่จะสร้างความเสียหายให้แก่โลกนั่นนะอะไรก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกข์สิ่งที่เป็นไปนเพื่อความพินาษท่านจะไม่ให้แก่บุคคลเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เพื่อส่งเสริมอกุศลกรรมบท10 ไม่ให้เพื่อส่งเสริมปานาติบาตไม่ให้เพื่อส่งเสริมอธินนาทานคือท่านไม่ส่งเสริมการทําอาคุสลทุกชนิดเพราะท่านจึงไม่ให้เพื่อการส่งเสริมการล่วงอาคุศนกรรมบททั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้ให้ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมให้ผู้ที่คุ้มครองโลูกเพราะโดยมากกระทั่งคือสแสวงหาผู้มีศีลผู้ผู้ควรแก่ทักษินาเพราะพระพุทธศาสนาสันเสริญทักขินายาบุคคลผู้ควรแก่ ทักษินาเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติในวัตถุทานภายนอกทีนี้มาดูวัตถุทานภายในบ้างถ้าท่านจะให้ของภายในหมายความว่าให้ให้ร่างกายให้อวัยวะภายในเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นคนจนสุดๆชีวิตเลยเนี่ยนะตัวเองเนี่ยอาหารจะกินก็ไม่มีเครื่องปกปิดร่างกายก็ไม่มี เรียก ว, ว่าอนาถาที่สุดก็เลยสละตนให้แก่คนอื่นเพราะอะไรเพราะต้องการอาหารเพราะต้องการอะไรต้องการจะดํารงชีวิตยอมไปเป็นทาสแก่คนอื่นโดยเชื่อฟังเขาสั่งอะไรก็ทําตามหมดเกือบววแทบจะถวายชีวิตให้แก่ผู้เป็นนายเพราะต้องการอาหารต้องการเครื่องปกปิดฉันใดพระมหาบุรุษก็ฉันนั้นมีจิตปราศจากอามิตรไม่เป็นเหยื่ออะไรซากอย่าง เพราะเหตุสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาประโยชน์สุขอันยอดเยี่ยมแก่สัตว์ทั้งหลายประสงค์จะบำเพ็ญทานบารมีของตนก็เลยสละตนเพื่อคนอื่นยอมเชื่อฟังคนอื่นเพราะอะไรทำตามความประสงค์ของผู้อื่นทั้งหมดโดยไม่หวั่นไหวไม่ พอแทมมอบอวัยวะน้อยใหญ่ให้มือให้เท้าให้ตาเป็นต้นแก่ผู้ต้องการด้วยอวัยวะนั้นนั้นไม่ขล่องใจไม่ถึงความสยิ่วหน้าไม่ทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึ้งตึงเป็นต้นเน่ยนะในการมอบวัตถุให้ให้ของเหล่านั้นให้อย่างมีความสุขเหมือนกับให้วัตถุภายนอกให้ของภายนอกโดยที่ไม่เดือดร้อนฉันใดให้ของภายในก็ฉันนั้น เรียกว่าท่านยอมเป็นทาตแห่งโพธิยานยอมเป็นทาตแห่งสัพพัญยุตยานอนาวรณายานยอมเป็นทาตแห่งอาสานรณายานเป็นผู้ที่พักดีต่อโพธิยานตลอดเสียสงไข่แสนกลับเนยนะเรียกว่าเอาใจอย่างเดียวเท่านั้นเอาใจโพธิยานเอาใจเอาใจคุณธรรมแห่งสัมมาสัมโพธิยานท่านอ่อนท่านน้อมท่านเอียงยอมสารพัดยอมเพื่อให้ได้ซึ่งโพธิยานเหมือนคนที่ ยอมต่อนายฉันนั้นเนี่ยนะนายใช่ไหมบางคนเนี่ยหมดทางไปจริงๆไม่รู้จะทําอะไรก็โอ้ยอมเข้าไปทุกอย่างฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านยอมแก่โพธิญาณสละทุกอย่างวัตถุภายในจะเป็นร่างกายอะไรก็ยอมหมดเป็นความจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษยังความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยการให้บริโภคตามสบายไปบริโภคตามสบายนะเพราะอะไรเพราะความชํานาญของตน คือให้มาอย่างช่ำชองเนี่ยนะเราก็ posible, ฝึกการให้มาอย่างช่ำชองจึงสละวัตถุภายนอกด้วยอาการสองอย่างว่าเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณด้วยการสละอย่างนี้ถ้าเราให้เท่าไหร่มันก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีให้เท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีให้เท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีก็เลยยิ่งยินดีในการให้เพราะยิ่งให้ยิ่งใกล้โพธิญาณเนี่ยนะ อันนี้เป็นวัตถุภายในต่อไปบอกว่าให้วัตถุภายในที่ให้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยาจกโดยส่วนเดียวเท่านั้นกระว่าให้ให้เพื่อประโยชน์แก่ยาจกเท่านั้นอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อรู้อยู่ย่อมไม่ให้อัตภาพอวัยวะน้อยใหญ่แก่มารหรือแก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารผู้ประสงค์จะมาขอเพื่อความเบียดเบียนที่ไม่ให้เพราะอะไรเพราะ คิดว่าความชีพหายจะได้มีแก่มานเหล่านั้นแต่ว่าไปขอผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีคุณธรรมก็บาปมากท่านก็เลยไม่ยอมให้ความประสงค์ของผู้นั้นสําเร็จเพราะว่าถ้าสําเร็จตามที่เขาต้องการแล้วเขาจะบาปอย่างมหันย่อมไม่ให้แม้แต่ตุกตาแป้งเปรียบเหมือนไม่ให้แก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มานเช่นั้นคือไปเทิดทูลตุกตาเนี่ยท่านไม่ทําอยู่แล้วงั้นนะแล้วก็ไม่ให้แก่คนบ้า แต่ถ้าหากว่าคนพว ก, พวกนั้นขอก็ให้เพราะการขอของชนพวกนั้นก็เป็นการหาได้ยากเพราะการให้เช่นนั้นก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการจริงๆเขาจะเป็นมารเป็นใครก็ช่างเถอะแต่เขาต้องการสิ่งนั้นจริงเขาก็ขอด้วยความจริงใจเนี่ยนะให้เขาไปเถอะเพราะยากนะที่คนเหล่านั้นจะมาขอแล้วก็การทำแบบนั้นก็ทำได้ยากถ้ายากเท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปเท่านั้น อันนี้สูตรของอมิทธทานอมิสถานให้วัตถุภายนอกหรือให้วัตถุวัตถุแปลว่าทั้งก็คือแปลว่าง่ายๆว่าให้มหาภูตรูปให้รูปประธรรมทั้งหลายให้ให้ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะเป็นภายในเป็นภายนอกให้เลยหมดเลยว่าให้วัตถุทานทีนี้ถ้าอภัยทานอภัยทานก็คือหนึ่งให้การป้องกันภัยป้องกันภัยอันตรายที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นก็คือคนที่ให้ความคุ้มครองให้ความสวัสดีไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าพราชาอันตรายที่เกิดจากโจรจากไฟจากน้ำศัตรูสัตว์ ร, ร้ายเสือโคร่งเป็นต้นสิ่งใดที่จะสร้างความเสียหายสร้างการแตกทำลายพระโพธิสัตว์คือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองแปล ง, ง่ายๆว่าคนที่รักษาผลประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายรักษาประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุของสัตว์ทั้งหลายรักษาผลประโยชน์ทั้งทั้งพวกท้ัพย์และอริยทรัพย์ต่อสัตว์ทั้งหลายทำเชน่นไหนพวกข้าศัพท์ของเขาจาับพ้นจากอันตรายพ้นอันตรายจากโภกท้ศัพท์พ้นอันตรายคือสามารถที่จะยั่งยืนด้วยโภกข้ศัพย์ยั่งยืนด้วยอริยทรัพย์นี่นะนี่มาดูธรรมทานของท่านท่านทําอะไรบ้างว่าธรรมทานได้แก่การแสดงธรรมที่ไม่วิปริตก็คือไม่ใช่บอกทางผิด คือบอกแต่ทางถูกเพื่อให้แก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองหมายคาอว่าบอกทางถูกเพื่อให้เขาพ้นจากความเศร้าหมองจะได้ดำเนินไปในทางที่ตรงมีการชี้แจงประโยชน์ตามสมควรเนี่ยนะชี้แจงประโยชน์ตามความสมควรสำหรับคนนอกาศาสนาที่ยังไม่เข้าถึงาศาสนาก็แนะนำให้เขา เข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นช่องทางที่จะนำออกจากทุกข์สำหรับคนที่ยังไม่เลื่อมใสในพระศาสนาก็ทำให้เขาเลื่อมใสเขาไม่นับถือก็ทำให้เขานับถือผู้ที่นับถือเข้าถึงพระศาสนาแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนให้เขาเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เขาได้รับประโยชน์ในปัจจุบันที่ธรรมมิกทประโยชน์ให้เขาได้รับประโยชน์ในพบต่อต่อไปที่เขาควรได้รับ ให้เขาได้รับประมัทประโยชน์คือสแสวงหาช่องทางให้เขาบรรลุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตตผลถามว่าท่านจะช่วยคนเหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น, น้าประโยชน์ในการบรรลุมักผลนิพานอย่างไรท่านก็จะแสดงธรรมการแสดงธรรมประกาศถึงคุณแห่งการให้ทานคุณแห่งการรักษาศีล ว่าผลแห่งทานศีลทําให้เกิดในสวรรค์ประกาศโทษและความเศร้าหมองของวัตถุกรรมทั้งหลายแสดงอ น, นิสงฆ์แห่งเนคขมมะแล้วก็ประกาศอริยสัจให้เขาเหล่านั้นตรัสรู้อริยสัจบรรลุประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะอันนี้เป็นการแสดงแบบย่อๆส่วนอธิบายแบบพิสดารก็บอกว่าประดิษฐ์สถานและทําให้ผ่องแผ้วในธรรมนั้ น, น, นตามสมควร สามารถประกาศคุณของธรรมเหล่านั้นแก่ผู้มีจิตน้อมไปในสาวกกับโพธิญาณหมายคำว่าถ้าผู้ใดน้อมไปเพื่อปรารถนาะจะบรรลุมรรคผลแบบเขาจะเป็นสาวกเขาไม่ได้เป็นไม่คิดจะเป็นพระประเจกไม่คิดจะเป็นพระพุทธเจ้าอะไรก็สอนเขาให้เขาบรรลุว่าสอนให้เขารู้จักสารณะรู้จักคุณของพระรัตนตรยัย นะให้เขารักษาศีลอินทร์สังวรโพเชเนมตัญยุตาชาคริยานุโยคให้ดำรงอยู่ในศรัทธาหิริโอตต ป, ปสุตะวิริยสติและปัญญาให้อบรมอยู่ในสมถะฌานทั้ง4อารมณ์38ประกอบด้วยวิปัสนาเจริญสมถะและวิปัสนาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นแนะนำปฏิปทาเพื่อความหมดจด ก็คือวิสุทธิทั้งหลายตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาวิสุทธิเป็นต้นจนถึงการบรรลุอย่างถูกต้องสําเร็จเป็นวิชาสามอภิน ญ, ญาหกปฏิสัมพิทาสีในที่สุดก็บรรลุเป็นสาวกโพธิญาณเช่นกับพระสารีบุตรเป็นต้นอันนี้ก็คือแนะนําข้อปฏิบัติอขอข้อปฏิบัติของสาวกทั้งหลายในสาวกทุกประเภททุกกลุ่มและหมู่เหล่าที่จะได้เจริญงอกงามสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ขณะเดียวกันก็ยังแนะนําข้อปฏิบัติเพื่อความพ่องแท้แห่งปัจเจกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณคือพระโพธิสัตว์แนะนําพระโพธิสัตว์ให้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าชี้แนะหนทางแนวทางให้ท่านเหล่านั้นได้รู้รู้จักวิธีการปฏิบัติแบบมิสสภาวะเนี่ยนะลักษณะระสะเป็นต้นจําแนกแจกแจงวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ตามสมควรแก่ผู้ที่น้อมไปในปัจเจกโพธิยานว่าถ้าผู้นี้ปรารถนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแนะนําว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนําชี้แจงบอกกล่าวจนเขาดําเนินอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นการให้ธรรมทานของ มหาบุรุษที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าเขาจะปรารถนาแบบแค่ประโยชน์โลกนี้หรือปรารถนาประโยชน์โลกหน้าปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่งปรารถนาเป็นสาวกปรารถนาเป็นพระปัเจกหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็จะช่วยอุปการะช่วยส่งเสริมให้เขาได้รับประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าท่านนี้คือผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำฉน ái สัตว์เหล่าอื่นจะได้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปพันจริยาปิดกในวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้ประสบประโยชน์ตามที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประสงค์แล้วทั่วกันอนุมโมทนา